สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสั ง, สงคราชสะกลมหาสังฆปรินายกอจักโคตรสุ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในกูตาคารสาลาในป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีนั้นปริพาชก ค, คือนักบวชจําพวกหนึ่งซึ่งยุ่งผ้าขาวอย่างที่เราเรียกว่าชีปกขาวอาศัยอยู่ในอารามปริพาชกซึ่งเรียกว่าเอกปุณัตริกะอาจจะมีต้นมะม่วงผลเล็กอยู่ต้นหนึ่งก็เอาชื่อนั้นเป็นชื่อของอารามในวันหนึ่งพระพุทธเจ้า ได้ทรงนุ่งและถือบาทจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงเวสาลีทรงดำริว่าเวลาอย่างเช้านะักทรงรู้จักปริพาชกที่เรียกชื่อว่าวัชโคตระอาศัยอยู่ในอารามเอากาปุณาธริกะนั้นจึงได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมวัชโคตระปริพาชกได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็ต้อนรับเป็นอันดีเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วก็ทูลถามว่า ตนได้ยินเขาพูดกันว่าพระสมณโคดมหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นคําที่พวกปริพาชกเรียกพระองค์ทรงเป็นสัพพันญูผู้รู้ทั้งหมดทรงเป็นผู้เห็นทั้งหมดทรงปฏิญานทัศนะคือความรู้ความเห็นว่าทรงมีอยู่อย่างบริบูรณ์ไม่มีตกหรือว่าเมื่อพระองค์ทรงดําเนินอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีก็มีญาทณทัศนะ คือความรู้ความเห็นที่จำแจ้งปรากฏขึ้นติดต่อกันไม่ขาดสายตนได้ยินเขาพูดกันดังนี้คำที่เขาพูดกันนั้นเป็นความจริงหรือไม่เป็นการพูดอย่างที่เรียกว่ากล่าวตู่ด้วยคําไม่จริงหรือไม่พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่าคําที่วัชัโกโคตรรัปริพาชกได้ยินมานั้นไม่เป็นความจริงเขาไม่ได้พูดเหมือนอย่างที่พระองค์รับสั่งเป็นการกล่าวตู่พระองค์ด้วยคําที่ไม่เป็นความจริง อชะละโคตระปริภาชกจึงได้กราบทูลถามว่าเมื่อเป็นดังนั้นจะพยากรณ์อย่างไรถึงจะเป็นการกล่าวคําที่พระองค์ได้ตรัสไว้ไม่เป็นการกล่าวตู่ด้วยคําไม่จริงเป็นการพยากรณ์ที่ถูกต้องไม่ควรตําหนิพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเมื่อพยากรณ์ว่าพระสมณโคดมมีวิ ช, ชาสามจึงจะเป็นการกล่าวที่ถูกต้องไม่เป็นการกล่าวตู่ ด้วยคำที่ไม่จริงต่อจากนั้นก็ได้ทรงอธิบายวิชาสามว่าได้แก่ 1. นุ่ปุเพนิวาสานุสติยานรู้ระลึกนิวาสคือที่อาศัยอยู่ในการก่อนได้ 2. จงจตุทท ป, ป, ปปาตะญาณรู้จุติคือความเคลื่อนและอุ ป, ปบัติคือความเข้าถึง 3. อาสวัคยายานรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวั เมื่อบุคคลพยากรณ์ว่าพระสมณะโคดมมีวิชาสามคือมีฌานสามดังกล่าวมานี้จึงชื่อว่าพยากรณ์ถูกต้องไม่เป็นการกล่าวตู่พระองค์วัชชาโคตระปริภาชกได้กราบทูลถามต่อไปว่าครหา บ, บางคนที่เมละสังโยตคือเครื่องผูกของเครหักกายแตกทำลายตายไปจะเป็นผู้กระทำที่สุดของทุกได้มีอยู่หรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าคฤหัสถ์ที่ไม่ละเครื่องผูกของคฤหัสถ์จะทําที่สุดของทุกขได้ไม่มีวัชชกโคตระปริพาชกได้กราบทูลถามต่อไปว่าคฤหัสถ์ที่ไม่ละเรื่องผูกของคฤหั ส, ททสรรรถ์ถาต า, ายแตกทําลายตายไปแล้วเข้าถึงสวรรค์มีอยู่หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ามีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อย แต่ว่ามีมากกว่านั้นวชากุตระได้กราบทูลถามต่อไปว่าส่วนอาชีวะกะคือนักบวดที่มีลัทธิต่างๆบวพวกกายแตกทำลายตายไปแล้วนั้นทาที่สุดของทุกได้มีอยู่หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าไม่มีปริพาชกได้กราบทูลถามต่อไปว่าอาชีวะกาบางคนที่กายแตกทำลายไปเข้าถึงสวรรค์มีอยู่หรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเท่าที่ทรงระลึกได้ก็ยังไม่ทรงพบเห็นหรือว่าทราบว่าอาชีวะกะอะไรอะไรที่จะเข้าถึงสวรรค์ได้นอกจากจำพวกเดียวที่เป็นกรรมวาทีคือกล่าวกรรมกิริยะวาทีกล่าวว่าทํากรรมก็เป็นอันธรรมปริภาชกก็ทูลถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นลทัลทธิเดลถีก็เป็นของว่างโดยที่สุดแม้การเข้าถึงสวรรค์ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าก็เป็นของว่างเช่นนั้นใจความในคําสนทนานี้มีข้อที่พึงยกขึ้นกล่าวหลายประการข้อแรกก็คือพระพุทธเจ้าได้สเสด็จเข้าไปในอารามของบุคคลต่างศาสนาต่างลัทธิและได้สนทนาธรรมในลัทธิของกันและกันเป็นอันแสดงว่าไม่ได้ทรงถือบุคคลภายนอกศาสนาว่าเป็นศัตรูแต่ได้ทรงถือว่า เป็นบุคคลที่พึงพบปะและสนทนากันตามโอกาสมีเรื่องที่ได้เสด็จเข้าไปสนทนาในวัดของบุคคลต่างละที่นี้หลายครั้งหลายหนวิ ช, ชาสส่วนข้อที่สนทนากันปริภาจกได้ทูลถามตามที่เคยได้ยินเขาพูดกันว่าพระองค์เป็นสัพพันญูเป็นผู้เห็นเป็นผู้รู้ทั้งหมดเดินไปก็รู้ทั้งหมดหลับอยู่ก็รู้ทั้งหมดตื่นอยู่ก็รู้ทั้งหมด เป็นความจริงหรือไม่พระองค์ได้ตรัสปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเมื่อจะพูดให้ถูกต้องก็ต้องพูดว่าทรงมีวิ ช, ชาสามดังหัวข้อที่ได้ยกมาแล้วนั้นคุณทำความเข้าใจในเรื่องวิ ช, ชาสามนี้โดยสังเขปข้อหนึ่งปุเพนิวาสานุสติญาณประกอบขึ้นด้วยสับคือญาณแปลว่าความรู้อนุสติแปลว่า ระลึกตามไปนิวาสแปลว่าที่อาศัยอยู่ในภาษาไทยใช้คําว่านิวาสก็หมายเอาบ้านตามพยัญชนะก็แปลว่าที่อาศัยอยู่ปุเพแปลว่าในปางก่อนรวมกันเข้าก็แปลว่าความรู้ระลึกตามไปถึงที่อาศัยอยู่ในปางก่อนควรเข้าใจคําว่าที่อาศัยอยู่คือนิวาสนั้นหมายถึงอะไร ท่านหมายถึงเบญจขันธ์คือกองทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่รวมการเข้าเป็นสกุลกายอันนี้ข้อที่เป็นหลักในเบื้องต้นก็คือรูปคือกายอันนี้เหล่านี้เรียกว่านิวาสแปลวา่าที่อาศัยอยู่จึงถึงปัญหาว่าใครเป็นผู้อาศัยผู้อาศัยในบางแห่งท่านเรียกว่าสัตว์แปลวา่าผู้ห้อง สามัญชนทุกๆคนเรียกว่าเป็นสัตว์ซึ่งแปลว่าผู้คล้องคือยังเป็นผู้คล้องผู้ติดอยู่ยังไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้หลุดพ้นที่เข้ามาอีกชั้นหนึ่งก็คือตัวเราที่สมมุติเรียกว่าอัตตาหรือเรียกเป็นสรรพนามก็ว่าเราสัตว์หรือว่าอัตตาหรือว่าเราเป็นผู้อาศัยอยู่ในที่อาศัยอันนั้นคราวนี้เรานี่อยู่ที่ไหน จะชี้ที่ไหนว่าเป็นเราถ้าจะตั้งปัญหาถามแก่ทุกทุคนว่าเราอยู่ที่ไหนก็จะเป็นปัญหาที่ต้องคิดถ้าโดยปกติก็จะต้องตอบว่าก็ตัวเราทั้งหมดนี่แหละคือเราคราวนี้ถ้าจะถามว่าลองชี้ดูว่าอยู่ตรงไหนถ้าจะยกเอาอาการสามสิบสองว่าอยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกเป็นต้น ยกขึ้นมาทีละอย่างหรือว่าถ้าจะยกเอาธาตุว่าอยู่ที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศเป็นต้นถ้าจะตอบดังนั้นก็ยังไม่ถูกต้องเพราะว่าตัวเราถ้าอยู่ที่อาการ32เช่นว่าอยู่ที่ผมทีนี้ถ้าโกนผมเสียก็เป็นการโกนเอาตัวเราหมดไปด้วยแต่นี่ไม่เป็นเช่นนั้นเราก็ยังอยู่เพราะฉะนั้น ถ้าจะยกเอาออกทีละอาการทีละอย่างขึ้นมาค้นหาตัวเราว่าอยู่ที่ส่วนนั้นส่วนนี้ก็คงไม่ใช่ทางนั้นจนกระทั่งร่างกายอันนี้สิ้นชีวิตดับลมลงไปตัวเรานี้ก็ดับไปพร้อมกับลมหายใจหรือไม่อันนี้ก็มีเชื่อกันอยู่เป็นสองอย่างอย่างหนึ่งก็มีเชื่อกันว่าตัวเราก็ดับหมดไปด้วยที่เรียกว่าตายศูนอีกจำพวกหนึ่งก็เชื่อว่ายังมีส่วนที่ไม่ดับ คือว่าไม่ตายและไปถือชาติกําเนิดใหม่จะว่าไปตามความเชื่อของจำพวกที่สองนั้นก่อนคือเมื่อค้นไปจนกระทั่งร่างกายอันนี้ดับลมไปแล้วแต่ก็ยังมีส่วนที่ไม่ดับคือไม่ตายส่วนที่ไม่ดับไม่ตายนั้นถ้าตามคติทางพระพุทธศาสนาก็คงเป็นตัวเรานี่คนเดียวกันไปหาบ้านอยู่ใหม่คือว่าไปหานิวาสคือที่อาศัยอยู่อันได้แก่ เป็นจะขันหรือว่าร่างกายใหม่เมื่อร่างกายอนันต์ผ่านไปแล้วก็ไปหาบ้านอยู่ใหม่ต่อไปอีกพยานข้อแรกนี้เป็นความรู้ระลึกถึงขันคือว่าบ้านซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนย้อนหลังไปได้ตามกําลังของสติที่ระลึกถึงเมื่อมีสติระลึกได้ยาวไกลก็รู้ไปได้ยาวไกลท่านแสดงว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีสติระลึกไปได้ยาวไกล เพราะฉะนั้นก็รู้ไปได้ยาวไกลมาเทียบดูในปัจจุบันบนัดนี้เราทุกๆคนนี้เมื่อระลึกย้อนไปในชาตินี้เท่านั้นก็ระลึกไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่และก็ไม่ละเอียดเท่าไหร่ลืมเสียมากเมื่อเกิดเราเกิดมาเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เราเองก็ไม่รู้มารู้เอาเมื่อผู้ใหญ่บอกให้ทีหลังมาเริ่มจับนึกได้ตั้งแต่พอรู้เดียงสามา และก็ต้องเป็นเหตุการณ์ที่กระเทือนใจมากๆเป็นเหตุการณ์พิเศษจึงจะติดอยู่ในความทรงจําแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ธรรมดาก็มักจะระลึกรายละเอียดอะไรไม่ได้เพราะว่ากําลังคือติความระลึกของเราไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ตามจิตตวิทยาสมัยปัจจุบันนี้แสดงว่าถ้าสะกดจิตตนเองลงไปจากจิตในสํานึกจนถึงจิตใต้สํานึกได้แล้วจะสามารถระลึกได้ และจะสามารถทำอะไรได้เหมือนอย่างในอดีตเช่นที่เขาเคยเล่นกันมาแล้วสะกดจิตลงไปให้อยู่ใต้สานึกและให้ถอยหลังเข้าไปจนถึงอายุสิขวบห้าขวบสามขวบแล้วก็สั่งให้สแสดงกิริยาอาการเหมือนกับเด็กในสมัยนั้นให้เขียนหนังสือเหมือนอย่างในสมัยนั้นผู้ที่ถูกสะกดจิตให้ไปอยู่ในระดับของอายุเท่าใดก็สแสดงอาการเหมือนอย่างเมื่ออยู่ในอายุเท่านั้นเขาเล่นกันจนถึงให้สะกดจิต ระลึกย้อนหลังไปในอดีตชาติแต่ว่าสําหรับในอดีตชาตินั้นไม่มีใครสามารถรับรองกันได้เห็นกันอยู่แต่ในสมัยปัจจุบันชาติที่ให้แสดงอาการเหมือนอย่างเป็นเด็กเท่านั้นเท่านี้ที่ผ่านมาจนลืมไปหมดแล้วและก็ทําได้อันนี้แสดงว่าในปัจจุบันนี้การศึกษาเรื่องจิต ก, ก็รับรองถึงสิ่งที่เก็บไว้ในจิตส่วนลึก และเมื่อสามารถทำให้จิตส่วนลึกนั้นปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งที่ประสบพบผ่านมาแล้วก็จะโผล่ขึ้นในทางพระพุทธศาสนานั้นแสดงวิธีปฏิบัติไว้ก็คือว่าให้ทำสมาธินี่เองแต่ว่าต่างกับวิธีสะกดจิตวิธีสะกดจิตนั้นผู้ถูกสะกดไม่ค่อยจะมีความรู้สึกเป็นตัวของตนเองส่วนสมาธิของพระพุทธเจ้าต้องการให้มีตัวรู้บริบูรณ์ รวมจิตเข้าเป็นสมาธิมากเท่าใดก็ต้องมีตัวรู้ซึ่งเป็นทั้งตัวสติเป็นทั้งตัวสัมปัชัญญะรวมกันอยู่มากเท่านั้นเมื่อทํำจิตให้เป็นสมาธิจนถึงญาณแล้วผู้ที่มีนิสัยที่ได้อบรมมาแล้วก็สามารถที่จะพบอนุภาพของจิตกําลังของจิตที่เป็นพิเศษได้ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงทําจิตให้เป็นสมาธิได้จนบรรลุฌานอย่างสูง ก็ส่งน้อมจิตที่เป็นสมาธินั้นไปเพื่อรู้เพื่อเห็นตามความเป็นจริงในชั้นต้นก็ปรากฏปุเพนิวาสานุสติญาณี้ขึ้นก่อนได้อธิบายวิชาที่หนึ่งปุเพนิวาสานุสติญาณรู้ะระลึกขันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้มักจะเรียดอย่างตั้งสั้นว่ารู้ะระลึกชาติได้แต่ตามสัพ์นั้นไม่มีคําว่าชาติ มีคาว่ารู้ระลึกนวิวาสที่อาศัยแต่ว่าโดยความนั้นก็คือระลึกชาติเพราะคำว่าชาติแปลว่าความเกิดการเข้าสู่ที่อาศัยนั้นเรียกว่าชาติคือความเกิดเพราะฉะนั้นก็จะเอาอาการตอนนั้นคือตอนเข้าบ้านหรือเข้าที่อาศัยมาเป็นชื่อเรียกและในระหว่างที่ยังอยู่ในบ้านหรือ ย, อยังอยู่ในที่อาศัยนั้นก็เรียกว่าเป็นชาติชาติหนึ่งไปด้วยทีเดียว ยานที่สองจะตูปปาตยานรู้จุติคือความเคลื่อนและอุปบัติคือความเข้าถึงของสัตว์ทั้งหลายในที่นี้ไม่ใช้คําว่าชาติมรณะหรือว่าเกิดตายแต่ใช้คําว่าเคลื่อนและเข้าถึงใครเป็นผู้เคลื่อนและเข้าถึงในบาลีนี้ใช้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นคําเรียกโดยสมมติถึงผู้เคลื่อนผู้เข้าถึงในที่อื่นเรียกว่า อัตตาตูวตนบ้างเรียกว่าบุคคลบ้างแต่ว่าเมื่อเรียกว่าบุคคลก็มีความหมายแค่กว่าคําสัตว์เพราะบุคคลนั้นหมายถึงมนุษย์โดยมากถ้าเป็นดิรัฉานหรือว่าเทวดาพรหมก็ไม่เรียกว่าบุคคลส่วนคำว่าสัตว์นั้นกินความกว้างหมายถึงหมดทั้งเทวดาอินพรหมทั้งมนุษย์ดิรัฉานทั้งสัตว์นรกหรือว่าเปรตอสุรกายอะไร เมื่อยึงเป็นผู้คล้องผู้ติดอยู่ก็รวมเรียกว่าสัตว์หมดอีกอย่างหนึ่งเรียกกระชับเข้ามาก็คือเราหรือตัวเราเพราะว่าทุกๆสัตว์ก็ย่อมมีเราอยู่คนละหนึ่งด้วยกันเพราะฉะนั้นในการอธิบายนี้จะเรียกว่าเราเราเป็นผู้เคลื่อนเป็นผู้เข้าถึงเคลื่อนหมายความว่าออกไปคือว่าออกไปจากนิวาสคือ ที่อาศัยอยู่นั้นหมายถึงว่าเคลื่อนไปจากบ้านเก่าหรือที่อาศัยอยู่เก่าหมายถึงสังขารเก่าหรือว่าเบญจขันธ์เก่าอุปบัติเข้าถึงก็คือเข้าไปสู่บ้านหรือที่อาศัยหรือสังขารหรือเบญจขันธ์ใหม่ฉะนั้นเคลื่อนจึงเท่ากับตายเข้าถึงจึงเท่ากับเกิดแต่ว่าในที่นี้ท่านไม่ใช้คําว่าตายเกิดท่านใช้คําว่าจุติ แปลว่าเคลื่อนอุปบัติแปลว่าเข้าถึงดังกล่าวนั้นส่วนที่ใช้ในที่อื่นอย่างสามัญก็ใช้ว่าตายเกิดแต่คําว่าตายเกิดนั้นมักจะมีความหมายสามัญถึงสังขารหรือว่าเบญจขันธ์ซึ่งรวมกันเป็นสกลกายอันนี้อันมีตายมีเกิดเป็นธรรมดาแต่มักจะเรียกว่าเกิดก่อนแล้วจึงตายทีหลังคือว่าเกิดแก่ตายคราวนี้ยังมีส่วนหนึ่งที่ไม่ตาย ในเมื่อสังขารอันนี้ตายเมื่อสังขารอันนี้ตายแล้วส่วนนั้นก็จุดติคือว่าเคลื่อนออกไปจากสังขานี้แล้วก็ไปเข้าไปสู่สังขารใหม่อาการที่เคลื่อนออกไปนั้นก็เรียกว่าจุติอาการที่เข้าใหม่ก็เรียกว่าอุปบัติฉะนั้นในพระญาณหรือวิชาข้อนี้จึงไม่ใช้คาว่าเกิดตายหรือตายเกิดเพราะใช้ในความหมายสามัญหรือสังขารเพราะไม่ได้มุ่งถึงสังขาร แต่มุ่งถึงสัตว์ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ตายไปตามสังขารสัตว์ก็เคลื่อนจากสังขารเก่าที่ตายแล้วไปสู่สังขารใหม่อันนี้แหละจึงเรียกว่าจุติอุ ป, ปบัติมักจะพูดกันถึงเทวดาว่าจุติเวลาเมื่อเคลื่อนจากสวรรค์แต่คําว่าจุตินี้ไม่ใช่ใช้เฉพาะเทวดาเท่านั้นแต่ใช้ถึงสัตว์ทั่วไปในความหมายดังที่กล่าวมาแล้วความเคลื่อนและ ความเข้าถึงสังขารใหม่เบญจขันธ์ใหม่ของสัตว์ทั้งหลายนั้นบางทีก็พูดกันว่าชาติใหม่พบใหม่แต่ว่าจะใช้คําอย่างไรก็คงมีความหมายถึงนิวาสคือที่อยู่ใหม่หรือว่าบ้านใหม่ดังที่กล่าวมาแล้วจะเรียกนิวาสนั้นว่าอะไรก็สุดแต่พระพุทธเจ้าได้พระยามข้อที่หนึ่งคือระลึกรู้ระลึกถึงนิวาส คือที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้มากมายในพระบาลีที่แสดงอธิบายไว้ชี้ถึงของพระองค์เองแต่เมื่อพิจารณาดูในที่อื่นก็พึงเห็นว่าของสัตว์ทั้งหลายด้วยและในพระยาณที่สองนี้ก็ใช้คําว่าของสัตว์ทั้งหลายมีอธิบายที่เนื่องกันคือเมื่อรู้ระลึกถึงนี่ว่าที่อาศัยอยู่ของพระองค์และของสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนได้ตลอดจน ถึงรายละเอียดต่างๆของชีวิตที่ดำเนินอยู่ในชาติชาติหนึ่งนั้นครั้นมาถึงพระยานที่สองนี้ก็ได้ทรงเห็นละเอียดยิ่งขึ้นคือเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเราของสัตว์แต่ละบุคคล น, นั้นได้เคลื่อนออกจากชาติหนึ่งและเข้าถึงอีกชาติหนึ่งตามกรรมคือการงานที่ตนกระทำไว้ถ้าประกอบอกุศลกรรมไว้ก็เข้าถึงชาติที่ไม่ดีมีความไม่บริบูรณ์มีความทุกข์ต่างๆ เมื่อประกอบอุตสรกรรมไว้ก็เข้าถึงชาติที่ดีมีความบริบูรณ์มีความสุขต่างๆท่านแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงได้วิ ช, ชาทั้งสามนี้ในราตรีที่ตรัสรู้ในปฐมยามทรงได้พระยามที่หนึ่งในมัชชิมยามทรงได้พระยาณที่สองคือจตุปปาตยานี้เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรููเรื่องกรรมตั้งแต่ในราตรีที่ตรัสรูนั้น และได้ทรงรู้ก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะยังไม่ถึงญาณที่สามที่ทรงได้ในปชิมยามพิจารณาดูถึงเรื่องความตรัสรู้กรรมนี้ก็จะเพิ่งเห็นได้ว่าเมื่อได้ตรัสรู้พระญาณที่หนึ่งนั้นได้ทรงระลึกชาติได้เป็นอเนกตลอดจนถึงรายละเอียดต่างๆได้เพราะฉะนั้นก็ย่อมทรงระลึกได้ด้วยว่าในชาตินั้นนั้นได้ไปทาอะไรไว้บ้าง และได้รับผลอย่างไรในชาติต่อๆมาทรงเห็นได้ยาวไกลมากจึงทรงรู้สรุปได้ว่ากรรมนั่นเองเป็นตัวเหตุซึ่งบุคคลได้กระทําไว้กรรมนั้นก็เป็นของของตนซึ่งบุคคลผู้ทําจะต้องเป็นทายารับผลของกรรมนั้นส่วนพระญาณที่สามคืออาสวัคยายานวางรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะท่านอธิบายว่าได้แก่รู้ในทุก รู้ในเหตุเกิดทุกข์รู้ในความดับทุกข์รู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้ส่วนหนึ่งรู้ในอาสวะรู้ในเหตุเกิดอาสวะรู้ในความดับอาสวะรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะอีกส่วนหนึ่งรู้ดังนี้เป็นอาสาวะขยญาญรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะพิจารณาดูตามความที่สัมพันธ์กันเมื่อพระพุทธเจ้าทรงได้พยายามที่หนึ่งสืบมา ก, ก็ทรงได้พยายามที่สอง เมือ่อทรงได้สองภยานนี้แล้วก็ทรงได้ภยานที่สามสี่ไปทีแรกก็รู้ในทุกข์เพราะเมื่อได้ทรงนรึกชาติได้เป็นอันมากทรงรู้ถึงความเครื่องและความเข้าถึงของตัวเราในชาติหนึ่งหนึ่งว่าเป็นไปตามกรรมเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ทรงเห็นความเกิดความแก่ความตายซึ่งเป็นทุกตามสภาพของสังขารในชาติชาติหนึ่งและได้ทรงเห็นความทุกทางติดใจเป็นต้นว่า ความสุขความรัทมใจเป็นต้นซึ่งมีอยู่ในชาตินั้นๆและก็สรุปลงว่าได้ทรงเห็นว่าตัวนิวาดคือตัวที่อาศัยอยู่อันได้แก่บ้านคือสังขารอันนี้แหละคือตัวทุกเพราะทุกทั้งปวงก็รวมลงที่บ้านคือนิวาส น, นี้เองเกิดก็บ้านอันนี้เกิดแก่ก็บ้านอันนี้แก่ตายก็บ้านนี้ตายทุกสศกอะไรทางจิตใจก็เกี่ยวแก่บ้านอันนี้ ไม่นอกไปจากนี้จะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นชาติก็คงเป็นดังนี้คล้ายๆกับว่าเราลึก ด, ดูย้อนหลังในชาตินี้เมื่อวานนี้ก็กินอยู่หลับนอนทำโ น, น่ทนทำนี่ย้อนไปอีกวันหนึ่งก็กินอยู่หลับนอนทำโ น, น่ทนทำนี่ย้อนไปอีกวันหนึ่งก็คล้ายๆกันแม้จะได้ประกอบกรรมที่ดีเกิดในชาติที่ดีมีความสุขก็เป็นอยู่ช่วคราวหนึ่งๆไม่เที่ยนยั่งยืนตลอดไป แม้จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรมอะไรตามลัทธิที่เชื่อถือกันว่ามีอายุยืนนานก็ต้องมีจุดดคือความเคลื่อนในที่สุดไม่มียั่งยืนตลอดไปเพราะฉะนั้นเป็นอะไรก็ตามก็คงไม่พ้นไปจากเกิดแก่ตายและก็ต้องประกอบกรรมกันอยู่อย่างไม่เสร็จสิ้นในบางคราก็ดีในคราวหนึ่งหนึ่งแล้วก็ประมาทประมาทแล้วก็ประกอบกรรมที่ชั่ว ก็ตกต่ำลงมาคราวหนึ่งตกต่ำลงมาแล้วมีสติขึ้นก็ไปประกอบกรรมดีก็ดีกันขึ้นไปคราวคราวหนึ่งวนขึ้นวนลงกันอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทรงเริ่มเห็นชาติยิ่งไกลเท่าไหร่และเห็นความเคลื่อนความเข้าถึงของตัวเรานี้ยิ่งไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความเป็นทุกข์เท่านั้นจนึงได้ทรงเริ่มเห็นทุกข์ขึ้นแล้วก็เห็นว่าที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าตำหา คือความยิ้มรนทยานอยากอันนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ดับตัญหาเสียได้นั่นแหละจึงจะเป็นความดับทุกข์และที่จะดับปัญหาได้ก็ต้องปฏิบัติปในทางให้ถึงความดับทุกข์คือมักมีองค์แปอันสรุปลงเป็นศีลเป็นสมาธิและเป็นปัญญาโดยเฉพาะก็คือว่าต้องประมวลกันเป็นตัวรู้ที่ประจักษ์แจ่มแจ้งตามความเป็นจริง เห็นความจริงของทุกขของเหตุเกิดทุกขของความดับทุกขและของทางให้ถึงความดับทุกโดยแจ้งชัดโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้ารพระนิพนธสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ใหม่ในตอนต่อไป